เอาจ า, า, า, า, ากการญาติโยมทั้งหลายาจก้งมของกร้างมีรยก็ได้ไม่สบายกมาจงงของน้งนีนะวั น, นเป็นวันาาห้ามงคลนนึซึ่งญาติยทั้งหลายเกากรุงเทพนครเรามาเยี่ยมซึ่งพระษสามเณร เป็นผู้ประพปฏิบัติในป่าสี่ญ้าที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนาไม่นในจังใจไม่มีคาถาก็ไม่ ม, มีใครจะมา อ, มอย่างใาาจญาติโยมทางอาเห็นแน่นเลนยนั่นมวัวมาถึงพระทีนี้การสอนรับจาติโยมก็า ม, ามได้อย่างนั้นครุขออภัยสัญญาโยมทางงหายทุกท่าน ที่เอยสถ า, านที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางเนมทางอุบาสกุลิกาอยู่การตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงที่นี้ก็เป็นเหตุให้เจริญรนึกถึงต่อพระสุตเจ้าซึ่งกั้นอยู่ในป่าปาา้มป่าทัดอยู่ตามธรรมชาติแต่ในป่าช น, นิดก็ยังมีนะถ <c oughs> ้าในเมืองหล ว, วงก็ยังมีชนิดหลายองค์เหมือนกัน มาปมปุ๊บทรมาณอย่านี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันก็พปกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนมุษย์เราทั้งหลายนี้เบื่อมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแต่โดยมากอาหารทางจิตนั้นพึ่สเป็นของที่สำคัญพวกมนุษย์พุทธริษัทเราทั้งหลายไม่ค่อยเข้มงวดถึงอาหารจิต อาหารตั้ใจของตเราทั้งหลายนั่นพอความจริงนั้นคนเราทุกๆคนคนเฉยๆสมนาสมพระเจ้าจันว่ามีกายส่วนหนึ่งและมีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแกจะรอทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกัตว์ใจสัตใจมันสบายสั่งกายมันสบายก็หมดเรื่องแล้วไม่มีมอะไปต่อเตินไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย โลกมันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่างนอันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของสท่านทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีสภาของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีใจอย่างหนึ่งกับมีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งจะกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็เป็นความสงบระงบับอาหารทางกาย การิการอาหารอาหารคือคาข้าวสารพัดอย่างที่มันไปล่อยนี้ยจะพาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้เดียอาหารทางกายมีคําข้าวเป็นต้นเป็นเปรทานลอยนี่ทางกายแต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อร่อยเใจเราไม่สบายมนะันจะสบายนม่ได้สบายไม่ได้ จะนอนในห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉยมันไม่สบายไอความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่แทนเดยวกันถ้าใจเราทําความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉยมันไม่สบายครับถ้าใจเราทํากายเราทําวาจาเราทํากายเราทำที่มันถูกต้องไม่มีความผิดในความเสียหายอะไรทุกอย่างนะ เราจะนอนอยู่นั่งในป่ายังงี้ก็มีความสบายไม่จำเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสภาวะอาหารที่น้นเต็นอยู่ก็ไปทานก็ไปในวันนี้สบายอยู่แล้วมีพระจันกร์ก็ทานวันละมื้อสี่โยมในสามมื้อที่สี่นี้โมดินะอืมขึ้นรถจากเคื่อนที่ทุกเพียตลอดทางในยี่นี้ระหมดนะมาจากวันตังนี้ ดังน so yeah. oh. ั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่นิชันอยู่เดียวเนี่ยฉันเสร็จมาเป็นก้อยอืมนะพอพูดยืนยันนี่นัแข่งยอมบัตรีก็ไม่เจอจะได้นี่เจอแล้วละอาจจะมาเอาพระสลังมาอะไรเงี้ยมีเคยฉันนั่งแขงด้วยเรื่อยเรือยเดือยังไม่ถามตัว่อนไงนั่งแข่งเพื่อนไงับมเขาไหสลังสบัดหน้าเร คนคิดว่าลมมันแข็งมันมีครับอย่างสบายดีนี่แหละแต่คิดว่าลมมันแข็งมันก็ยุ่งอย่ไม่มีดําแข็งแล้วเนี่ยก็จอยู่กันสบายนะข้อกายมันสบายใจมันก็สบายอืออยู่ไปนี่เนี่ยมีเร่ออาหารทางกายถ้าว่ามันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นี่คืเรอาหารทางใจมันสบาย ยกแต่อย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกเวลาเนี้่ยไม่มีอะไรเม้คารวาะครอบครัวพองเราทุกๆครัวนะท่านี้รณ์กระดีถูกกันแล้วมันจะมีความสบายหมดัเนละอาหารตะกี้นี่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี่จริงเป็นของสาคัญมากที่สุดก็ พ, พูดมีกระเพาพของเดอร์แทนจริงห้องเพรตะว่ามจิตรักษาจิตเพราะอะไร ตาเลยเห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นรื่นเรศก็ไปกายได้ผดผักก็ไปทิ้งให้ใจห้ใจแบบคนเย่อห้ใจบริหารคนเย่ออะไรเงีเขาขึ้นเลยตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้รื่นไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แล้วก็ะมีใจดังนั้นจริงใจจริงเป็นของสาคัญองค์สมเด็จพาจาอัมเจเจ้าอภินิหา พวทุตบริจัดทังงาอยารื้ออย่ารื้อใ้เขาจะเห็ น, นจิตของเจ้าของท่านจึงจัดให้พวกมนุษย์พุตธวริจัดทั้งหลายนั้นละวงยามมีประโยชน์พยามปีกธนาตรัสเลยสีเรนาคุกจิงยันติสีเรนาโคขัดสัมปทาสีเรยนะมิปุจิยันติสัตมาสีรังมิโสตะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงวนผู้ปัจจานีคม ถิ่นนั่นเป็นของเยือเย็นถิ่นนั่นเป็นของสะอาดถิ่นนั้นเป็นของสงกถิ่นนั่นเป็นของรักเมื่อใครพากันมีถิ่นนั่นจะไม่มีการมีพามีการกระทำบาปตั้งกายต่างวาจาตัางใจถ้าใครมีถิ่นถ้าใครมีศิ่ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งความมนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริยูนแล้ะจะจะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนมามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็น้าที่จะน า, ะนาพวกเรา้าท่านทั้งหลายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าเจ้าอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรไปก็ไม่มีใครนําอะไรมาก็าไม่มีใครนราํานอะไรไป เก็บมาแล้วก็มีกระยุ่งกันอยู่อย่างนั้นหละนะแต่เราไม่เอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกย์มีชิดที่เรณาดีนะคำพูดมีแต่ฝากของเ ร, า ก, รากันจริงจังมากวันคืนล่วงไปเล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็คล้ายๆสวัสดีพระเจ้าจันถามถึงความเจริอยู่ของพวกเราจันไรกันดีแต่อาชีพมันเป็นคำพูดของท่าน ถ้าพูดก็ได้แลวก็เฉยๆมันเป็นบัญหยัดของท่านวันคืนรวมไปรวมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พูดเด้พอย่เฉยในเหมือนกันเป็นตนเป็นตั ว, ตวมาพูดให้เราความเป็นจริงคำนี้มันเป็นคำที่จะเราพิจนารณาดีดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทำอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่อาอดีตเราทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันได้อยู่อย่างไรเราควรทำมิควรเช่นนี้คือคนรทีนีิ ท, ท, ทีจะนาให้เจ้าของมันได้เชิญท่านนุ่งผ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่า อ, อห้าการจะทําความผิดผิดอะไรทุกอย่างอาจารยผิดได้มันสบายผิดได้มันก็ไม่ถูกนะเลยอืฮึทีนี้เราหน้าที่จะจึงจันติ ผู้มีศีลมีสุขข้อศี น, นั่นมาทำไมใครไม่ละลานใครไม่เจกะใครไม่เบียเดเบียนใครศี น, นั้นมีความสุกต้องทางกายทางวาจาท่านเมื่อซื้เลยนะทุกกระจิงยันตีมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุในทุกเกิดมันก็ระงับพุกทุกมันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันจะเป็นสุขเราจะเดิในไปมันจะเป็นสุขมีความสุขมีความสงบนั่น นี่เราถนัดซื้เลยนะสุะจริงยังจีนี่คสมบัติของมงคลสีมีชิ้นตรอมีเรียนงต้องมีตุ๊กซื้อเลยโฟกัสสมบัติาโฟคะอันมันเกิดจากการประทุกปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธแล้วโฟคะอันนั้นเป็นโฟคะที่เยี่ยมยอดเป็นโฟคะที่บริสุทธิ์คุปองเป็นโฟคะที่เรียบร้อยเป็นโฟคะที่มีชุดิมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินจะทานบริจาคที่ไหนแต่เป็นมงคล เป็นวัตถอันมั่นคงในดวงใจของปราชญ์ทั้งหลายสีเลยนะสุกติยันติสีนะโพกะสัมปทาสีเลยนะนี่คือจินยันติสีลังมีสูตไปเย้ท่านพูดแต่เรื่องสีนั่นเดียวมีเองนะยาติถึงพระนิพพานช่วงมันมีความเกิดมันมีความแก่มันมีความเจ็บ ม, ม, ม, มัมีความตายไม่มีอะไรอะไรตัางสิ้นเป็นของหมดเกินนั้นขอแต่ถึง ยุค น, นั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางทิ้งขึ้นทางให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นท า, า, า, า, านาบา ร, รมีบารมีคือทานาบารมีนี่เระพึ่งใจผู้คงสาวกผองคงจะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารมีเราจะไม่ได้อันนี้มันเป็นอย่างต้น เป้นบารมีนี่และเป็นคนทามันเยอดยิ่งพระองค์สมเด็จตัชมาสตมพุทธเจ้าขอให้กิเลนาทานกคาถากล่าวต้องการให้การให้นี้มันมีประโยชน์ ม, ม, มีความ ส, มสุขมีความสงกมีความสงบเมียกไปเห็นง่ายว่าวันนี้จะไปขโมยของคนมาหนึ่งจะสบายใจไห ม, มง่ายเนี่ยพอไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า คิดเย็นไปด้วยวันวันนี้เราทุกคนพยายามแลสะสารสิ่งใดนม่น้อยก็จะบารุงนะให้พระเจ้าเสริมเสริมญาานี้มีความเยนคนจุกคนละเล็กคนน้อยแลสะสารปานี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอยินใจอย่างนี้เท่านี้ต้องไปต่างกันเรืการให้แดะการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเองแล้ความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั่นแหละท่านจะบ่บุญยังญาติโยมจังใดมาวันนี้ทุกคนเป็นคนที่มาจาบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จ่งมันมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับนี่เองที่ทันเรียกว่าการทที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องงดเพียงระเบิดบาบุนแต่ก็ตกเจ้าแต่เรียกว่าบุญการกระทําที่เน่ถูกต้องไงเกิดกะละลานเสื่อนมนุษย์กเกิดกันหน่อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกินเลยทำไม่ถูกต้องการกระทําที่เน่ถูกต้องฉันเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นฉันเรียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความพุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดจะเห็นกัน ง, ง่ายๆมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนั่นบนรรดาสาวเจริญชางหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสถานีท่านบรรดาส า, าวมาไหว้มาขอพรพบะฏิบัติเจนีือท่านเจนผู้มีปัญญา ค น, นคนผู้มีปัญญาแตแตกเมืางกันเป็นคนปิดแปลกๆกันแต่บางคนเห็นตลอดคนมมีปัญญาละบ้านชื่อเสียงมามยม่ในป่านนะบางคนเชืโง่คนโง่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่านี้ต้องกระเด็นโง่บางทีก็เป็นอย่างนี้อะไรก็ช่างโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราเด็ก็ระเด้ยกันนะอันนี้มอ ง, มองอีใครมองเห็นแต่นั้น คือท่านเรามันเป็นคนแสกใจบุญขุนทานถึงนายโยะามา็จตามากระถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชจ้โง่กไปเข้าปัญญาจะบวชเยอะปัญญาจะปลอยอยู่ไหมปล่อยโง่ธรรมดาก็จะักนเมิอนอยู่อยู่ฟ้าอยู่อือก็อยู่นออี่นี่คือคนที่จะต้องอยูไ่ไม่ต้องทำอะไรให้ก็อยู่นะอืมาารักษ า, ง, าง่ายรักษาง่ายอืม ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแตงพืชนรรต่างๆที่จะรดน้ำบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงนี่ต้องรบน้ำมันเสียวสู่ไหมไอ้พาร์คที่ได้ปลูกแอ้ต้นไม้ที่ได้ปลูกที่บ่าในรดน้ำกันสุวันมั้ยรดน้ำทุวันมันต้องมีหยาดกันให้สวยไอเลยนะนั่นเนี่ยว่ามันจะธรรมชาติมันแต่งมันข้าเนีนที่มาอยู่สมานี้มันกันโดยมาก่อยแต่ตไปนล้อยู่ยังไงกินยังไงก็ดูแล้ว เหมือนแบบคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาตัดสตปฏิบัติแล้วมันต่อยทำเขาเองทําเองเหมือนกันกระบว่าะวัวมันกินอะไรมันกินหญ้ากวะบมันกินหญ้าเอาวระัวมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันจะ็นหัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันจะเป็นหมูเท่านั้นเนีะยนะ คนที่มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในง า, านนาบุญท่านเจ้าประเสริซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนเองอมากหรอกผมพระท่านทำเหรียนเงินท่านทําอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้วไม่ใช่ทาเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากที่เดียวอาศัยตัวเองเหมือ น, นกันตวัวว่ามันกินหญ้าเอามาปล่อยใสสนามหญ้ามันก็กินหญกเท่านั้นแหละไม่้มันกินยากก็ไม่เจริญ ว, ว่าเท่านั้นเนี่ อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกจิตใจตัวเจ้าของมันกันแบบนั้นมันมีอะไดอันหนึ่งในจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติสมรรมมันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นอานนากระยิน่ะพ่อก็ไปว่านลูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาคงอยากจะเห็นเหมือนกันแต่คนยังไงคนร้องไห้นี่นะ วันนี้จึงมาเห็นเลยล่ะนะเห็นแล้วจะเลยบอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นอีกอย่างให้ถึงที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ไปต่้งคิดเป็นมาติดต้องเนื้อนีแล้วอย่างเงี้ยอ่าแม่ดิรูกจะมาเห็นวัดนี้แต่เพรพ่อกันมาผมบอกอย่างดีๆของยูป่าเนี่ยเอถ้าคนมาลุ้มาดูไม่ก็มาเห็นแต่มันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าจะมีของดีๆมาท่านนะท่านรู้จักนะ อยู่ในใจองมีอยู่ในยังอย่างเดียวนะอยู่ในยัองดีก็เยอะไปนั่นนี่จนเติม อ, องสมเด็จกัจจมาสัมพุทธเจ้าผูมา้มีศรัทธากั้งแต่เสือคนอยู่ป่าท่านโกิท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติโดยปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมโเจนาปะนาไปในยนุคที่ยุคที่ร่องมาก็ให้อยู่ในป่าจักรรูก็กรรู้ในป่านิพพานเท่งแต่นนิพพานอยู่ในป่าเ น, นี่ย เราควรเราไปที่นี่คิดนาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าใจป่าเราใจใจเราเหมือนเป็นป่าใจอะไรมันสว่างสวายอือมันเป็นเช่นนั้นอือของที่อยู่ในป่าที่อยู่ที่อาศัยนี่มันเป็นส่วนดูดดูดดืมจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างไรแต่นั้นเห็สจัดหลายคนพวกจับมันร้ายสนิทจนไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละ ถ้าเราพีเจนาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี่เราจะค้นในยุนิป่านี่ผมเถอไปจเยือมันเดี๋ยวจะออกจากประเทศไิยโดกละอยินในนี่อือฉะนั้นบรรดาสาวเสชวนจังหลายซึ่งมาพบยุนิป่าอย่างนี้อือบางตนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรเป็นยังไงหลาอย่างอือฉะนั้นพระเนนบางเองที่มาจากในเมืองดวงตเโกมาอยู่ตมามากไม่เฉพะาะเจาะจงทางเมืองไ่าเมืองนอกก็เยอะไป ที่มาอยู่เนี่ยมันไม่น่น า, นาก็เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละที่จะเรียกเป็นมนุษย์ทั้งหลายสนใจเดก็กกติยนารีสัมพิงนี่ฉนานงค์สมยุตตะชะมาสัมพุทธเจ้าสัมพิชการว่าสีเรณะสุตติงยนติสีเรณน ะ, ระพรนะโพกะสัมปทาสีเรณนะมุตติยนติสมาสรมีรังวิโวสตเยพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศีลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้จิตฟังแล้วพวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะหมดเพ้ฝันมุการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโจดในการยิ่ฉ้าในการปฏิบตัติกัรนั่นมันจะหายไปเสื่อมไปในทีงทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระงับจะเกิดขึ้นมาสั้งางสมาที่จิตใจของบริการทั้นนททงหลายเป็นเติมนั่นแหละวันนี้ขอเช้าจะชมทั้งหลายเจ้าบริการทร้างระบบส้งใจ ที่เราจทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทำมาแล้วในวันหยังก็ดีที่ยังจะในทำในอนาคตนั่นกดีขอจนทํากายทำวาจาทำจิตใจต่งนายถูกต้องตามหลักของศาสนาตามพระเจ้าต่างใอดนั้นถ้าหากเราทํามีความถูกต้องและทางอดีต ก, ก็ดีทางปัจจุบันกดีทางอนาคตพ็ดีในการไปจนมาของโเกิดจนต่งางใดนั้น จะมีความสุขายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสงสามุ่งมั่นปราชนาของสันพิจารณ์ฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาทชนะกรรมสังสอนขององค์สมบุตเจตมาสำบูรณแจ่แล้วจงแน่นมก็ไปเป็นโอปนายกระทำไในจิตใจของทุกชันทั้งหลายนั้นให้ชีวิสีเลยนะสุขกติม ย, ตตยนะัต์ือให้มีวสมสุขีเรณนะโปกัันป่าาให้มีโปคะสมบัติอันงอกงามไปเรื่ ทีน่นี้นะมีพระจินยันติจงโยนคู่ไปหาความเกษนจำรานสุขืปนิภานนั้นก็เพราะอาการรักษากายวาจาใจข้องคนในมีโทษเดียวทันแต่จูนแบบนี้เพราะเพราะันท ร, ร้จังไรจงสงบสังใจจงโงโค่น้อมไปไม่มีจิตใจของเพราะจันทร้จังไรให้ที่นผีเจตนา ในธรรมะทำชังสอนซององฉันดุจกัสมาฉันดุจใจของดาวนั้นฉันจิตจุดนี้ขพราะอยากจมทังร้ายอืจงเป็นผู้มีความสุดท้ายก็ได้จิตโดยอํานาจแห่งปรุถีปัจจานาใจจงจงปกษาศ้องปกปั้นทังร้ายในการเดินทางการไปกานการไปสอดีการมาสอดีการอยู่สอดีการไปสอดีโดยอํานาจบุญกุศลนนี้จงปกปัดคุ้มครองโดยอํานาจจนเป็นปฏิเสธแก่ใจจงเป็นผู้จะเดินรุ่งเร ah ok ื rim, ่อง ต่อตารางานโู